2. นับปฏิปัดสัมพนะวักหมวดว่าด้วยการไม่ระงับกรรม 420. ยสท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลสงไม่ควรระงับกรรมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้า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 ภิกษุประกอบไดยองหานี้แลสงฆ์ไม่ควรระงับกรรมอุบาลรีภิกษุประกอบไดยองห้าแม้อีกอย่างสงฆ์ไม่ควรระงับกรรมองห้าคือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงหลงโทษ 2. ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้น 4. ตํหนิกรรมหตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมอุบาลีภิกษุประกอบได่องคหานี้แลสงฆ์ไม่ควรระงับกรรมอุบาลีภิกษุประกอบได่องหา้แงรรงรร า, หาแม้อีกอย่างสงฆ์ไม่ควรระงับกรรมองค์าคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองกล่าวติเตียนพระธรรม กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลีภิกษุประกอบได้องหานี้แลงร์ไม่ควรระงับกรรมอุบาลีภิกษุประกอบไดยองห้าแม้อีกอย่างงรงไม่ควรระงับกรรมองห้าคือ 1. เป็นอารัชีสองเป็นคนโง่เขลาสามไม่ใช่เป็นปกตัิตะสี่ทำการย่ำยีข้อปฏิบัติห้าไม่ทำข้อวัดและศิกขาให้บริบูรณ์อุบาลีภิกษุประกอบไดยองค์ห้านี้แลสงไม่ควรระงับกรรมคุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม 421อท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้เข้าสงฆ์เมื่อเข้าหาสงฆ์พึงตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตนแล้วเข้าหาสงฆ์พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้เข้าสงฆ์เมื่อเข้าหาสงฆ์พึงตั้งธรรมห้าประการไว้ในตนแล้วเข้าหาสงฆ์ ทมห้าประการคือภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อเข้าหาสงฆ์ 1. พึงมีจิตยำเกรงมีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ดทุลีเข้าหาสงฆ์ 2. พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งรู้จักการนั่ง 3. ไม่เบียดภิกษุผู้เถระไม่ห้ามภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยอาสนะ พึงนั่งอาสนะตามสมควรสไม่พึงพูดเรื่องต่างๆไม่พึงพูดดิประชานกระถา 5. พึงกล่าวทรรมเองหรือเชื้อเชิญภิกษุรูปอื่นไม่พึงดูหมินอริยะดุสเนีภาพ 5. อุบาลรีถ้าสงฆ์ทำกรรมที่ควรพร้อมเพรียงกันทาหากภิกษุไม่ชอบใจในกรรมนั้น จะทำความคิดเห็นขัดแย้งกันก็ได้แต่ควรควบคุมความสามัคคีไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอคิดว่าเราไม่ควรแตกต่างจากสง์เลยอุบาลีภิกษุผู้เข้าสู่สงฆามเมื่อเข้าหาสงพึงตั้งทำห้าประการ น, นี้ไว้ในตนแล้วเข้าหาสง องของภิกษุผู้พูดในสงฆ์422ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลเมื่อพูดในสงฆ์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจและไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้า เมื่อพูดในสง์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองค์5คือหนึ่งเป็นผู้มีความคิดมืดมน 2. กล่าวอ้างผู้อื่น 3. ไม่ฉลาดในถ้อยคำที่จะเชื่อมถึงกัน 4. ไม่โจดตามอาบัติในธรรมและวินยัย อันสมควร 5. ไม่ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควรอุบาลีภิกษุประกอบได่องคหานี้แหละเมื่อพูดในสงย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากอุบาลีภิกษุประกอบได่องห้า เมื่อพูดในสงย่อมเป็นที่ปราถนาเป็นที่พอใจและเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองห้าคือ 1. ไม่เป็นผู้มีความคิดมืดมน 2. ไม่กล่าวอ้างผู้อื่น 3. ฉลาดในถ้อยคำที่เชื่อมถึงกัน 4. โจโจ์ตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควรอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้านี้แลเมื่อพูดในสง์ย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจและเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองของภิกษุผู้พูดในสงอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้าแม้อีกอย่าง เมื่อพูดในสง์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองห้าคือ 1. เป็นผู้อวดอ้าง 2. เป็นผู้รุกราน 3. ยึดถืออธรรม 4. ค้านธรรม 5. กล่าวถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์มากมาย อุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเมื่อ <Jasmine> พูดในสง์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจและไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเมื่อพูดในสง์ย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจและเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองค์ห้าคือ 1. ไม่เป็นผู้อวดอ้าง 2. ไม่เป็นผู้รุกราน 3. ยึดถือธรรม 4. ค้านอธรรม 5. ไม่กล่าวถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์มากมายอุบาลีภิกษุประกอบได้องคหานี้แลเมื่อพูดในสง์ย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจ และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้าแม้อีกอย่างเมื่อพูดในสงฆ์ย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจและไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองค์หคือ 1. กล่าวข่มขู่สอง กล่าวไม่ให้โอกาสผู้อื่น 3. ไม่โจ์ตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควร 4. ไม่ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ไม่ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หนี้แลเมื่อพูดในสงย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นที่พอใจและไม่เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากอุบาเรีภิกษุประกอบได้องค์หเมื่อพูดในสง์ย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจและเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากองค์าคือ 1. ไม่กล่าวขมคู่สกล่าวให้โอกาสผู้อื่น 3. โจตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 4. ปรับอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 5. ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้านี้แลเมื่อพูดในสง์ย่อมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจ และเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากอานิสงในการเรียนวิไน423ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าในการเรียนวิันมีอานิสงเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัสว่าอุบาลีในการเรียนวิไนมีอานิสงห้าประการนี้คือหนึ่ง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 บาลีในการเรียนวินันมีอานิสงส์ห้าประการนี้แหละนับปฏิปัตสัมพนะวักที่สองจบหัวข้อประจำวักภิกษุต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษกล่าวตำหนิกรรมสงไม่ควรระงับกรรมภิกษุผู้เป็นอลัชีภิกษุผู้เข้าสงฆ์ครามภิกษุผู้มีความคิดมืดมน เป็นผู้อวดอ้างกล่าวข่มคูย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาอานิสงการเรียนวิเนยัยพระบัญญัติคู่ที่หนึ่งจบ